ให้จิตของเขาเนี่ยเบาให้จิตนี้อ่อนให้จิตนี้ปราศจากความเศร้าหมองเป็นจิตที่ไม่ถูกนิวร์กลุ่มลมเมื่อจิตไม่ถูกนิวร์กลุ่มลมเป็นจิตเบาอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็จะประกาศอริยสัจในตอนท้ายการประกาศอริยสัจเนี่ยเหมือนการยอมเห ม, มือนการยอมก็กลายเป็นได้ท่าที่มีสีที่บริสุทธิ์เพราะันั้นพระองค์ก็ยอมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เรียกว่ายอมอริยมรัก ให้เกิดขึ้นในใจของเขานั้นใจที่อริยมรรคยอมเสร็จแล้วก็เป็นผู้ที่ข้ามพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่นั้นการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาคุณคือพระองค์ทรงรู้จริตรู้นิสยัยรู้อัธยาศัยรู้ความประสงค์รู้ความต้องการเพราะว่าพระองค์นี้ตรวจ ด, ดูบุคคล น, นั้นเนี่ยตรวจ ด, ดูทั้งอดีตตรวจ ด, ดูทั้งอนาคตเนี่ยนะ ตรวจดูอุปนิสัยเขามีวาสนาไหมสั่งสมบูรณ์มาเพียงพอไหมและสภาพจิตของเขาตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเขาควรฟังธรรมกคาถาเรื่องอะไรแล้วก็ควรฟังถ้อยคําประเภทไหนแล้วพระพุทธเจ้านี่เวลาแสดงธรรมเนี่ยพระองค์มีบุญว่าคนฟังธรรมจากพระโอษของพระองค์เนี่ยจะฟังเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุดแปลโดยธรรมชาติ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 เขาเขแปลกนะบางคนเนี่ยไม่รู้ทําอะไรมาไม่ทราบอย่างเช่นเขาวันไหนที่คนนี้มานะจะต้องมีแต่เรื่องยากอย่างเดียวเรื่องที่เขาฟังไม่รู้เรื่องตลอดงานเลยว่างั้นเนี่ยแต่ถ้าวันไหนเขาไม่มานะจะเป็นเรื่องที่เขาฟังเข้าใจอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยในที่สุดเลิกฟังทำเลยในที่สุดก็ไม่เอาละไม่เอาละอันนั้นสายหัวตลอดไปเนี่ยนะมันเป็นวิบากขอ ง, ของบางคนจริงๆอนนเที่ยวมาฟังอยู่ตั้งหลายครั้งอ่ะนะ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 ก็หวังว่าคงสะสมัทธยาสายกันมาอย่างนั้นนี้ย้อนกลับมาในปฏิสัมพิฐามรรคข้อหกสิบหกต่อว่าที่พระองค์กล่าว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนี่ควรละสิ่งทั้งปวงควรละดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงควรละคืออะไรอนะจกักษุควรละรูปควรละจกักษุวิญญาณควรละจกักขูสัมผัสควรละ แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากผู้สัมผัสเป็นปัจใจควรละคำว่าละในที่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าตัดฉันทราคะละอาลัยละความเยื่อใยในจักสุเนี่นะเพราะฉะนั้นพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือควรตัดความเยื่อใยในจักสุเสเถิดควรตัดความเยื่อใยในรูปตัดความเยื่อใยใน จกักระวิญญาณตัดความเยื่อใยในจกักระสัมผัสตัดความเยื่อใหยในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีจกักระสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะตัดในที่นี้หมายถึงตัดฉันทราคะตัดเยื่อใยคำว่าละ น, นะละละฉันทราคะละความอาลัยอาวร์ละความเยื่อใหญ่นี่ถามว่าถึงละหรือไม่ละเนี่ยนะมันยังไงก็ต้องจากตาไปใช่ไหมต้องจากไหมจะต้องอยู่กับตาคู่นี้ตลอดไปไหม เอาไม้ชาดหน้าก็ยังใช้คู่นี้ตามเดิมแล้ว <Yeah. S 1> ไม่เอาอีกกลนะหน่าจะเอานัทถนอมจนดูแลเอ า, เอ า, เอาใจยังมากเลยนะทั้นตาเหล่านี้เนี่ยยังไงก็ต้องละแต่ว่าละแบบคนตัดฉันทราคะเสร็จกับตายไปกับตาที่ยังเยื่อใหญ่เต็มที่เลยไหนจะดีกว่ากันเนี่ยนะคือคนที่พิจารณาจนสามารถตัดฉันทราคะกับไม่พิจารณาเลย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 เพรผู้ที่ตัดฉันธราคะละอะไรเยื่อใหยในตาได้เนี่ยนะก็ทิ้งตาเหล่านี้ก็ไม่ถือตาอันใหม่อีกใช่ไหมทิ้งรูปนี้ก็ไม่ถือเอารูปอันใหม่ทิ้งจกักรคูวิญญาณเหล่านี้ก็ไม่ถือเอาจากักรคูวิญญาณอันใหม่ทิ้งภาษาเวทนาเหล่านี้ก็ไม่ถือเอาภาษาเวทนาเป็นต้นใหม่ๆพันพงศ์จึงบอกว่าหูควรละเนี่ยนะเสียงควรละโสตวิญญาณควรละโสตสัมผัสควรละ แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละจมูกควรละกลิ่นควรละคานวิญญาณควรละคานาสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีคานาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละเลนควรละรสควรละชิวหาวิญญาณควรละชิวหาสัมผัส ควรละแม้ส like ุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละกายควรละโพธะควรละกายวิญญาณควรละกายะสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีกายะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละมโนควรละ ธรรมารมควรละมโนวิญญาณควรละมโนสัมผัสควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละเพราะผู้ที่ละละหมายถึงละฉันทราคะตัดอะไรตัดความยืดเยื้อ ใ, ในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเป็นเหตุให้ประสบแต่ความสุขแต่ถ้ายังตัดไม่ได้นั่นเป็นเหตุแห่ง แห่งทุกข์เพราะฉันทราคาความอาลายัยความเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่นำไปสู่พบใหม่เพราะฉันทราคาเหล่านี้เป็นตัวที่ฉุดให้ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่ภาร ก, กิจตรงๆของเยื่อใยคือการเพราะปลูกขึ้นในวัตตะเนี่ยนะคือหน้าที่ของตันหาทั้งหลายเนี่ยทำให้เพาะในวัตตะขึ้นแต่ว่าเกิดหน้าที่ใดก็ตามสมควรแก่แก่กรรม สุดแท้แต่กรรมว่ากรรมจะนําเกิดนะที่ใดแต่ตัณหานี้ภารกิจคือนําเกิดในภพใหม่นั้นถ้าตัดตัณหาได้แล้วก็ไม่นําเกิดในภพใหม่เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ตัดฉันธาราคะหรือไม่ละอะไรอาวรนในสิ่งเหล่านี้เขาก็จะประสบทุกตลอดกาลนานแต่ผู้ที่ละตัดอะไรตัดเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้ได้จะประสบสุขซึ่งกาลนาน คล้ายๆในณตมหาตุกะสูดใช่ไหมที่พระองค์ตรัสว่าจักรุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละาจาักรุนั้นเสียจักรุนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขนะนะซึ่งถ้าละได้อย่างนั้นจริงๆก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกลูเพื่อความสุขเนี่ยนะนะคิดง่ายๆอย่างอะไรก็ตามเนี่ยนะที่เราไม่มีอะไรไม่มีความยืดใหญ่นะถึงสิ่งนั้นจะเสียหายไปปานใด เราก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยถ้าถ้าไม่มีฉันทราคะในสิ่งนั้นนะอย่างตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยตายทุกวินาทีจำว่าจริงไหมพี่หุ่นหมอในโลกเนี่ยนะคนตายทุกวินาทีบางวินาทีตาย ต, ายตั้งหลายคนแต่ทำไมเราไม่เห็นมา น, นั่งร้องไห้อยู่เลยก็เพราะไม่ใช่ <c oughs> ของเราใช่ไหม <c oughs> เพราะเราไม่มีเยื่อใยในสิ่งเหล่านั้นเลยความที่เราไม่มีเยื่อใยในสิ่งเหล่านั้น อย่างรถตอนนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุม่ใช่น้อยคันแต่ทำไมเราไม่เสียใจเลยก็ไม่ใช่ของเราอีกนั่นแหละอย่างสัตว์ที่เสียหายได้รับความยากความลำบากก็เยอะแยะทั้งหมดคนก็ป่วยเยอะนะแต่ทำไมเราไม่ไปเสียใจใยก็ไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่ของของเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราตัดใจได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีความสุขสักขนาดไหนถ้าเรามาคิดดูนะว่าถ้าตัดอะไรตัดเยื่อใยตัดสัทราคะ ตัดตันหาในสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องเป็นสุขเป็นแน่ก็ต้องให้มีความสำคัญไว้เลยว่าหรือมีความเข้าใจติดอุปนิสัยไวเลยว่าตัดเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นสุขทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ได้ก็จะปลูกฝังอุปนิสยัยปลูกฝังอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการตัดชันทราคะหรือน้อมไปเพื่อการละสิ่งเหล่านี้ ซึ่งปกติคําว่าละเนี่ยนะจักขู่ควรละละด้วยหนึ่งตั้งถังค้าประหารสองวิขำพนาประหารสามสมุดเฉทประหารสี่ปฏิปัสสัตที่ประหารเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายละด้วยนิสรณประหารนะเนี่ยถ้าดูตามอภินัยธรรมเนี่ยจักขู่รูปจักขูวิญ ญ, ญาณภาษาเวทนาควรรู้ยิ่งปริ ญ, ญัยธรรมบอกว่าจักขู่รูปจักขูวิญ ญ, ญาณภาษะเวทนาควรกําหนดรู้ พอมาประหาตรตปธรรมเนี่ยนะจะครูรูปจะครูวิญญาณภาษาเวทนาเป็นธรรมที่ควรละคือควรตัดฉันทราคะซะแต่ถ้าตัดฉันทราคะไม่ได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราไม่ละแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ละเราเนาะใช่ไหมตานี่จะอยู่กับอย่างเนี้ยตลอดไปไหมก็วันนี้ก็ใสกับวันวันข้างหน้าว่างั้นเถอะตาวันนี้ก็เป็นตาที่ยังหนุ่มสาวกว่าวันข้างหน้าต่อตอไปเดี๋ยวก็เสียหายกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆ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 ทำไมเอทำไมจักสุจึงควรละก็เพราะจักขูไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าทำทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมัน่นทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นอย่างเช่นจักสุรูปจักขูวิญญาณภาษาเวทนาไม่ควรยึดมัน่นจริงๆที่เราไม่ละจักสุเนี่ยนะเพราะเรามั่นใจในจักสุเป็นต้นวา่จาจักสุนี้ต้องยั่งยืนใช้งานอีกนานเนี่ยนะเจ้าไหม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 ตาเรานี่ดีดียังไม่ตัดแว่นอย่างไรยังไม่ต้องเปลี่ยนแว่นอย่งี้นะและ้วก็แต่เอาเถอะถึงจะยึดอย่างไรก็ช่างเถอะตาก็ไม่เป็นไปอย่างที่ยึดถือหรอกถึงจะยึดถือว่าตาเที่ยงตาก็ไม่เที่ยงอย่างที่ยึดจะยึดว่าเป็นสุกตาก็ไม่ได้สุกจริงๆอย่างที่ยึดจะยึดว่าตานี่เป็นอัตาตา ว, ว่าตัวเองมีอำนาจจริงๆในตาตาก็ไม่ได้เป็นไปในอำนาจดังที่กล่าวเลย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 ก็ใช้หูตามปกตินั่นแหละแต่ตัดเยื่อใยในหนนูจมูกก็ใช้ตามปกติแต่ตัดชันธราคะในจมูกลิ้นก็ใช้อย่างปกติแต่ก็ตัดชันธราคะในลิ้นกายก็ยังอยู่ตลอดต่อไปเนี่ยตามตามธรรมดาไม่ได้ไปฆ่าตัวตายอะไรแต่ก็ตัดอะไรตัดเยื่อใยในกายความคิดก็คิดไปในคิดในสิ่งที่เป็นไปกับสิกขาแต่ก็ไม่ยึดถือใน ความคิดว่าความคิดเป็นสิ่งที่เที่ยงความคิดเป็นสิ Wert, ่งท <to> ี่ยั่งยืนความคิดเป็นสิ่งที่เป็นอัตตาว่ามีอำนาจอะไรในความคิดที่จริงแท้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ควรละคําว่าละในที่นี้ทัวในครั้งหมายถึงการ ตัดฉันธราคะเนี่ยนะตัดอะไรตัดความยืดใหญ่นั้นพุทธพจน์ที่ว่าสับพังพิฆเวปะหาตับพังดูก่อนพิสูุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรละในธรรมเหล่านั้นควรละจักสุเป็นต้นด้วยการตัดฉันทราคะในจักสุละฉันธราคะในจักสุทะได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเนี่ยแหละเมื่ อ, อไรเมื่อเบอร์นายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึง หลดทนเพราะฉะนั้นการตัดได้อย่างแท้จริงต่อเมื่อรู้สึกว่าเบื่อหน่ายอึดอัดชิงชังในตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างแท้จริงแต่ก็ขนาะเดียวกันนะคนที่ฟังไม่ดีบอกงั้นก็ฆ่าตัวตายซะเลยไม่ใช่นะไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นก็ใช้ชีวิตต่อไปนี่แหละแต่ว่าตัดอาไลอาวรนตัดความเยื่อใยคือรู้รู้อะไรรู้อัศสาธาอาธีนวะนิสรณะของ ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงปีนรถวิญญาณภาษะและเวทนาทีนี้ในหน้าสามนี้บอกถึงข้อปฏิบัติเพื่อที่จะได้ละจักรสุได้นะคำว่าละในทีนี้คือละวิปลาสละความวิปลาสว่าจักสุเป็นของเที่ยงละความวิปลาสว่าเป็นสุละความวิปล า, วาปสล ว, า ว, ลาว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเมื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยง ก็ย่อมละอะไรละนิจจะสัญญาได้ถ้าละเอ่อถ้าเห็นรูปโดยความเป็นทุกขก็ละสุขสัญญาได้ถ้าพิจารณารูปโดยความเป็นอนัตตก็ละอัตตะสัญญาได้เมื <ME> ER ่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้เม <ME> ER ื่อพิจารณาเห็นรูปโดยความคลายกหนัดก็ละราคะได้เมื <ME> ER ่อพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นของดับก็ละ สมุทยได้เมื่อพิจารณารูปโดยความสลัดคืนก็นละอาถานะนะความยึดถือเอาไว้ได้ก็คือผู้ที่เห็นพิจารณาเห็นตัวนี้เป็นชื่อของอะไรพิจารณาเห็นแปลเป็นบาลีสิแปลว่าอนุปัสนาแปลว่ากะเห็นตัวนี้เห็นโดยอนุปัสนาเจดคือเจริญอนุปัสนาเจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและ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 ความยึดถืออาถานะเนี่ยนะความถือเอาไว้ได้ก็พิจารณาอะ น, นะเจริญอนุปัสนาเจ็ดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือในธรรมะสองร้อยขอไปร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแปดก็ตัดอะไรนะตัดโล ก, กุตระออกไปใช่ไหมตัดอนันยาตาญัตยามีตินสีอนยินสีอนยาตาวินสีออกไปอ น, นะก็เหลือ ร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยนะเอาออกสามอ่ะนะสองร้อยหนึ่งเอาออกสามก็เจริญอนุปัสนาเจดในธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อเจริญอนุปัสนาเจดในธรรมะเหล่านี้ได้ทั้งหมดก็ก็สามารถละกิเลสที่ควรละได้กิเลสที่ควรละที่แท้จริงเนี่ยนะไอ้ที่เราบอกว่าละราคะละโทสาละโมหะมานะละอัสมิมานะละอวิชาละภาวะตันหาอะไรเป็นต้นเนี่ยนะ ไอสิ่งใหญ่ๆเหล่านั้นจริงๆอะ่ะถ้าจะละจริงต้องหัดมาละวิปลาสก่อนนะละความสาคัญผิดว่าเที่ยงในสิ่งเหล่านี้ก่อนละความสาคัญว่าเป็นสุขในสิ่งเหล่านี้ละความสาคัญว่าเป็นอัตตาซึ่งความจริงยังไงมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแต่แต่ตันหามันบอกว่ามันบอกว่าเที่ยงแต่เที่ยงไม่นานเที่ยงเหมือนกันโอ้ยอีกหลายปีอย่างเงวะ ท่านตรงนี้แหละที่ต้องมาเจริญอะไรนะกาลาปะสัมมาสนาพิจารณาความไม่เที่ยงโดยวัยปฐมวัยมัชชิมวัยและปัจฉิมวัยหรือพิจารณาทุกๆ10ปีทุกๆห้ปี4ี่ปี3มปี2ปี1ปีหรือทุกๆ3เอ่อทุกๆ4เดือนนะทุกๆ4เดือนเรียกว่าฤดูใช่ไหมสีเดือนเรียกว่า1ฤดูหรือพิจารณาทุกๆสองเดือนหรือพิจารณาทุกข้างขึ้นและข้างแรม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 อันอยังลงสู่อมตะ ด, ด้วยความเป็นอนัตตาว่าพระนิพพานก็เป็นอนัตตาแต่นิพพานนี่เป็นสิ่งที่เที่ยงนี่สิ่งที่ไม่เที่ยงนี่ใช้กับสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ใช้กับสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือนดะิสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาแต่สัพเพธรรมาอนัตตาในมัคควัสมัคควรัชคาถาธรรมบทก็องตัดว่า เมื่อใดบุคคลเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในวัฏทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานนั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดทัานการเห็นว่าสับพาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็น <ร Family. S 1> ว่าสับพาสังขารทั้งมวลโดยความเป็นทุกข์เห็นว่าทำทั้งมวลโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยน่ะเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลง ความเบื่อหน่ายในวัตทุกขในสิ่งที่ตนหลงทั้งหมดนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานตัวอีกครั้งหนึ่งถ้าพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะอะไรน่ากลัวนิมิตน่ากลัวอะ น, นาโรปอะไรนิมิตคือรูปเวทนาสัญญาสังขา ร, ขารวิญญาณ น, นี่เป็นของที่น่ากลัวถ้าพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์อะไรน่ากลัวตวัตะคือการเป็นไปในวัตตะเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาอะไรน่ากลัว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 พันเมื่อพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงมากๆเครื่องหมายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้กลายเป็นของที่น่ากลัวถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์แหละก็ขันห้านี่แหละที่เป็นไปในสังสารวัตเนี่ยนะที่เป็นไปในสังสารวัอตะที่เวียนว่ายตายเกิดเป็นไปกับชาติชรา ม, มรณาโศกกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเป็นต้น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 ดูแลอะไรก็ไม่ได้เลยสมมตินายกบอกว่าเอาคุณไปเป็นหัวหน้างานอยู่ตรงนี้นะะยกงานตรงนี้ทั้งหมดให้คุณคุณมีหน้าที่ดูแลพนักงานห้าสิบคนหรือร้อยคนแต่ว่าพนักงานอยากเข้าอยากออกตามใจพนักงานหมดเลยนะอยากมาทํางานก็ามาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาใครอยากลากร า, า, าไม่อยากลาก็ไม่ลาจะประท้วงวันละเจดรอบก็ไม่เป็นไรน ะ, น, ะนะแต่ให้คุณยกให้เป็นของคุณ่ะแต่ว่าคุณไม่มีอํานาจอะไรเลยเอาไหม เหมือนให้เราไปเป็นตำรวจจราจรอยู่อินเดียโบกซ้ายก็แล้วโบกขวาก็เงียบอ่ะนะมันอยากมาก็มาอยากแซงก็แซงเรียกใครให้จอดมันก็ไม่จอดเนี่ยทําอะไรได้ไปยืนกลางถนนนีนน่มันชนตายอย่างเง้ยนะแต่ให้เป็นตำรวจจราจรคุมบริเวณเนี่ยน่าเอาไหมนั<า>่นมอไม่เป็นตำรวจจราจรอยู่อินเดียบีบ <c oughs> แปรกันสนา่นเมืองไม่หมดเ <c oughs> นี่ยนะ่ะฉั้นใดก็ดีขันห้าเป็นอย่างนัีน้ยนะ ตามันก็ไปเรื่องของตาหูก็ไปเรื่องของหูจมูกก็ไปเรื่องของจมูกลิ้นก็ไปเรื่องของลิ้นผมก็ไปเรื่องของผมขนก็ไปเรื่องของขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตามันอยากไปอะไรก็ตามเรื่องของมันหมดเลยไม่มีอำนาจไปคุมอะไรซากอย่างอ่ะเนเวทนามันก็แล้วแต่เวทนาสัญญามันก็เอาเรื่องของมันไปสังขารก็เอาเรื่องวิญญาณก็ไปตามเรื่องไม่มีอำนาจอะไรเลยนะใครบอกโอ๊ยจิตเนี่ยฉันมีอำนาจคุมตานะ คมหูคุมจมูกคุมลิ้นเนี่ยนะหมอตายังเป็นโรคตาเลยอย่างเงี้ยอย่างเงนะีไม่รู้ว่หมอลำไส้เป็นโรคลำไส้บ้างหรือเปล่าไม่ทราบมีเหมือนกันห่ะมีเหมือนกันนะ น, นึนนกว่านึกว่าแจ๋งจริงอะนะเพราะเขามันเป็นอนัตตาใครมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้จริงๆอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จิตแพทย์เป็นโรคจิตไหม <c oughs> อันนี้ยหนักกว่าเพื่อนเลยนะเป็นมากกว่าเพื่อนโดยซ้ําไปอย่างงั้น เพราะฉะนั้นในโลกของสังขารทั้งหลายเนี่ยใครมีอำนาจจริงๆบ้างเอาเมื่อไม่มีอำนาจจริงแต่บอกว่าเป็นของคุณอะ่ะเพราะในคำว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะหมายคมว่าของของคุณแต่คุณไม่มีอำนาจเนี่ยนะคือคือที่เรียกว่าสำคัญว่าเป็นของเราอ่ะนะแต่เราไม่มีอำนาจอะไรเลยเอ่ะนะไปไปคุมอะไรไม่ได้เลยนะ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 ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเพราะถ้าเบื่อหน่ายคลายกําหนัดก็จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือการออกจากวัฏจักได้นยแต่ทีนี้ปัญหาว่าเราไม่คิดว่าการออกจากวัฏจเป็นสุขสําคัญว่าวัฏจเป็นสุขการออกจากวัฏจเป็นทุกข์ไม่เชื่อชวนคนไปศึกษาธรรมะเพื่อออกจากวัฏจดูสิไปสักเท่าไหร่ การออกจากวัฏะทุกข์มากเรียนก็ยากเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าเรียนวิชาในวัฏฏะปวดหัวบ้างก็ไม่เป็นไรอยู่ได้ทนได้ลําบากขนาดไหนก็ได้นอนดึกเดินขนาดไหนก็ทนได้หมดอ่ะนะแต่ถ้าศึกษาเพื่อออกจากวะะัฏฏะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะป่วยดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีเพรานพวกขันห้าในวัฏะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้สั่งสมอุ ป, ปนิสัยเพื่อที่จะเพื่อที่จะออกเนี่ย น, นะพรานการเจริญกุศลนี่ค ว, ควรตั้งความปรารถนาเพื่อ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 กี่ชาติดีอมองเป็นอสงไขยเป็นหลายสิบอสงไขยหลายล้านอสงไขยอสงไขยของอสงไขยอีกครั้งหนึ่งมันก็อยู่อย่างนั้นไปเนี่ยนะเพราะอย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าน้ำตาที่เราเสียใจกับทุกเรื่องมาเนี่ยนะถ้าเก็บสะสมมามันก็มากกว่าน้ำทะเลน้ำนมที่เราเดื่มกินก็มากกว่าน้ำทะเลถูกเขาเข็นถูกเขาฆ่าเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยนะก็มากกว่าน้าทะเล ทำงานเนี่ยนะเหงื่อไหลหยดย้อยก็อันนี้โอ้ยหลายทะเลทำงานแล้วเหงื่อเหงื่อเหงื่อโทมเนี่ยนะก็หลายทะเลเพราะฉะนั้นในสังสารทุกข์เนี่ยนะถ้าความเสียใจที่เราเก็บเอาไว้มันจะเท่าไหร่น้อสั่งสมอัธยาสัยแห่งความเสียอกเสียใจไว้เท่าไหร่เสียใจทีน้ําตาก็ไหลทีแล้วเสียใจที่ยังไม่หลังน้ําตาจะขนาดไหนวันนี้แค่เก็บส่วนที่เป็นน้ําตาและสะสมความเสียใจมาเท่าไหร่แล้วสะสมความกโกรธมาเท่าไหร่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่ง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 อย่างสมมติว่าอย่างบางคนเนี่ยก็บอกโอ้ทำงานนี้ตายแนย่ตายแนย่แล้วก็ตัวเองก็เชื่อว่าตายแต่ถ้ามีบางคนเบอกไม่ตายหรอกแอบดีใจนะกับเทงเถียงไปอย่างนั้นนะอ่ะคงไม่รอดหรอกก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าใจจริงๆนี่แอบแอบดีใจแนละ้วว่า ง, งานนี้อาจจะรอดก็ได้นั่นะคนไข้เป็นไงนไหมคุณหมอถ้าบอกว่าโอ้ยถ้าคุณหมอพูดว่าหายโอย้าอย่างงี้ยิ้มแป้เลยนะแต่บอกไม่หายหรอกหน้าเศร้าเลยนะนะธรรมดานะหมอบอกเขาธรรมดา หน้านี่เหลือนิดเดียวใช่ไหมโอ้ยคุณนี่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ตายแล้วโอ้ถ้าพูดอย่างนี้นะเดือดร้อนมากเลยนะศัตรูคู่เวรคู่อาฆาดดาแลกเลยแหละบอกว่าอยู่ที่บ้านก็ตายแล้วไม่ต้องมาหาหมอก็ได้ต่พูดอย่างนั้นอนะ่ะเนาะแต่นี่หมายถึงว่าคุณไม่ตายหรอกวันนี้อ่ะนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้เ็าจะคุณไม่ตายหรอกแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะใช่ไหอกชั่วโมงนี้ยังไงคุณยังอยู่ แต่พูดอย่างนี้เขดีใจนะแต่เราไม่ได้พูดทั้งหมดใช่ไหมว่าไม่ตายหรอกอันนี้ก็ชื่นใจกันเพราะฉันใดก็ดีความเป็นไปในวัตฏะถ้าใครรู้จักวัฏตะดีเพียงพอเนี่ยนะการออกจากวัตฏะนี่เป็นของดีจริงๆฟังคําว่าออกก็ดีใจแล้วฟังคําว่าออกจากวัตฏะก็สบายใจแล้วถ้ายิ่งบอกวิธีที่จะออกจากวัตฏะด้วยยิ่งดีใจยิ่งสบายใจโล่งใจเลยว่าโอ้นี่วิธีที่จะออกจากกองทุก์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 เห็นความเป็นไปของกองทุกข์ที่เป็นเป็นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตเมื่อได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็ฟังธรรมฟังคําสอนจงสามารถเอามาพิจารณาไคล้ครวญได้ถ้าปฏิบัติตามก็ถึงความสุขเคยได้ยินพระอริยะท่านบ่นไหมว่าทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินที่มาศึกษาพระธรรมไม่น่ามาศึกษาเลยเป็นต้นเนี่ยเคยได้ยินไหมอ่านในพระไตรปิฎกเป็นต้น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 พ้นทุกหนเนี่ยนะแล้วก็รู้ด้วยว่าทําไมจึงพ้นทุกอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกขอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขสมุทัยสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความทุกมขมรรคสัตว์เป็นเหตุแห่งความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรละที่กล่าวไปทั้งหมดว่าจะขู่เป็นต้นควรละเนี่หมายถึงละสมุทัยสัตว์จะซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกขจะได้มาเจริญมรรคสัตจ์จะซึ่งเป็นเหตุแห่งความสุขเนี่ยนะ ปั้นส่วนอประหาตปธรรมก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ปฏิสัมพิธานี้เก็บเข้าตู้ตั้งนานนะถ้าใครมีในนี้มีอยู่หลายคนบอกโอ้ชอบเรียนปฏิสัมพิธามากชอบเรียนเกินกว่าหนึ่งอา้าวหลายคนนี่สองคนก็ชื่อว่าหลายและทีนี้ปฏิสัมพิธาเนี่ยนะ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 แบ่งประเภทแห่งอาาัตถะแบ่งประเภทแห่งธรรมะแบ่งประเภทแห่งริรุติแบ่งปฏิประเภทแห่งปฏิพันธ์ปัญญาที่สามารถจำแนกแจกแจงแบ่งแยกประเภททั้งหลายได้นี่เรียกว่าปฏิสัมพิทายานปัญญาที่พิจารณาแบ่งแยกสามารถเรียกว่าสามารถมองเห็นความหลากหลายความแยกความย่อยของสิ่งต่างๆได้ คำว่าปฏิสัมพิทานั้นจึงเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของปัญญาปฏิสัมพิทานั้นที่เราเรียนเนี่ยหมายถึงคำภีที่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาที่สามารถจำแนกแบ่งแยกประเภทของอัตถธรรมะนิรุตติปฏิพานเลยเรียกว่าคำภีปฏิสัมพิทาเพราะว่าผู้ที่เรียนคำภีนี้เรียนด้วยความรู้ความเข้าใจก็เป็นอุปนิสัยให้ ถ้าเป็นปุถุชนอยู่ก็เป็นปฎการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาต่อไปในอนาคตสำหรับผู้ที่เป็นพระเสขะอยู่แล้วปัญญาของเขาก็จะแตกฉานยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้พูดถึงปฏิสัมพิธาเนี่ยนะทั้งหมดนี่มีอยู่สามวักวักละสิบเรื่องใช่ไหมทั้งหมดมีอยู่สามสิบเรื่อ ง, ง, มมอองปฏิสัมพิธาทั้งสามสิบเรื่องนั้นนะ เรื่องที่หนึ่งเรว่าเรื่องยานนะเรื่องยานเป็นเรื่องต้นมาติกาเป็นเรื่องสุดท้ายเรื่องยานเนี่ยน ะ, ะโดยปกติยา น, นะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดสิบสามยานนะเจ็ดสิบสามยาน น, นั้นเอาทั้งทั้งหมดนะนะที่เรียกว่ากลุ่มปัญญาที่มีอยู่ในโลกประมาณเจ็ดสิบสามกลุ่มด้วยกันแต่ว่าหกหกอย่างสุดท้ายเรียกว่าอาสาธรณยานหกเป็นของพระพุทธเจ้าอย่างเดียว แล้วก็ถ้านับตั้งแต่ถอยหลังขึ้นมาอีกสิบสี่ยานบางทีก็เรียกว่าพุทธยานนะพุทธยานพุทธยานมีอะไรบ้างพุทธยานอ่ะปฐยานในอริยาสัจสี่ยานในปฏิสัมพิทาสี่ยานอาสาธรณาัยานหกเรียกว่าพุทธยานสิบสี่เนี่ยนะพุทธยานสิบสี่เป็นต้นทีนี้ในบรรดายานทั้งหลายยานะทั้งหมดทั้งเจ็ดสิบสามยานะ ญานะหรือปัญญาที่จําเป็นที่สุดเลยก็คือยานอันแรกคือสุตตะมยายานโดยเฉพาะผู้ที่เป็นภาษาวกทั้งหลายนะสุตตะมยายานนี้ถือว่าสําคัญมากถ้าเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้เน้นพิเศษคือจินตามยะปัญญาเพราะว่าความที่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบุญมามากแล้วเมื่อท่านสั่งสมบุญมามากแล้วการพิจารณาของท่านก็ไม่ใช่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 ขึ้นอภัยนะอุปนิสัยโคอุปนิสยนัยโคจรเพันธ์เราต้องศึกษาพระธรรมเพื่อให้ใจเนี่ยท่องเที่ยวเพื่อรับอุปนิสัยก่อนรับอุปนิสัยจากพระรัตนตรยัยรับอุปนิสัยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับอุปนิสัยในการตรัสรู้ถ้าเราไม่มีอุปนิสัยมาก่อนเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะตรัสรู้พันธการศึกษาพระธรรมก็คือเบื้องต้นเบื้องแรกเป็นการเรียนเพื่อเอาอุปนิสัยเอาอัตถยาใัย อุปนิสัยคือเหตุที่จะทำให้บรรลุคมักผลแล้วก็เรียนเอาอัธยาศัยอัธยาศัยที่ ด, ดีเพราะปกติแล้วรวมๆแล้วหมูสัตว์นั้นอัธยาศัยไม่ดีมันก็ต้องเรียนเอาอัธยาศัยที่ดีจากพรรตนาตรายัยอัธยาศัยที่ดีที่เราเรียนก็คืออัตเนฆ ค, คำมัธยาศัย น, นะ เข้ไปเอเรียนเพื่อเอาอะโลพั ท, า ย, พออาทพพยาสัยเรียนเพื่อเอาอโทสัพทยาสัยเรียนเพื่อเอาอโมหัตทยาสัยเรียนเพื่อเอาเนคขมัททยาสัยเรียนเพื่อเอาวิเวกัตทยาสัยและก็เรียนเพื่อเอาอนิสรณัททยาสัยดังั้นการฟังธรรมผู้ที่ฟังเป็นนั้นน่ะเบื้องแรกที่สุดก็ฟังเอาอัธยาศัยก่อนอั น, นะีอัธยาสัยที่ไม่ดีจะได้ทิ้งไปจะได้ถือเอาแต่อัธยาสัยที่ดีไม่ใช่พวกอนุ ร, รักษ์อัธยาสัยนิยม ถ้าอัธยาศัยดีอนุรักษ์ไปได้เลยแต่อัธยาศัยไม่ดีม has, mm. ไม่จําเป็นต้องอนุรักษ์อะไรไม่ต้องเชียร์ไม an toujours, ่ต้องส่งเสริมไม่ต้องให้ท้ายอย่างนั้นไม่ต้องสนับสนุนว่าเออเขามีอัธยาศัยอย่างนั้นก็เลยชมใหญ่เลยเชียร์ใหญ่เลยก็ดูสิถ้าลูกเรามีอัธยาศัยยาเสพติดสนใจไหมล่ะส่งเสริมต่อไปไหมเนี่ยนะไม่เขารีบเอาบําบัดเร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งยิ่งดีฉันใดก็ดีผู้ที่รู้ว่าอัธยาศัยไม่ดีก็ไม่ต้องเสริมๆไม่ต้องสนับสนุนไม่ต้องเพิ่มพูนไม่ต้องให้ท้าย แต่ถ้าเป็นอัธยาศัยที่ดีควรจะอนุโมทนาควรที่จะสนับสนุนควรที่จะส่งเสริมั้นการฟังธรรมของเราก็ฟังเพื่อเพื่อให้มีอัธยาศัยที่ที่ดีเนี่ยนะทัวร์ในครั้งหนึงนะการฟังธรรมอันหนึ่งที่สําคัญก็คือฟังเพื่อส่งเสริมอะโลพัธยาศัยฟังธรรมเพื่อกําจัดอัธยาศัยแห่งความโลภฟังธรรมเพื่อกําจัดอัธยาศัยแห่งความโกรธ ฟังเพื่อกำจัดอัธยาศัยแห่งความลุ่มหลงอันนี้แหละเขาเรียกว่าอะโลพัธยาศัยอโทสัตยาศัยและอะโมหัตยาศัยเพราะอะโลภะแปลว่ากำจัดความโลภอโทสัตแปลว่ากำจัดความโกรธอะโมหะก็คือกำจัดความลุ่มหลงพันฟังเพื่อกำจัดความโลภความโปรธความหลงให้มีอัธยาศัยอันนี้ อั น, นะอัธยาศัยที่ดีเหล่านี้แล้วก็เนคขมัติัธยาศัยก็คือมีอัธยาศัยที่จะเห็นโทษในวัตถุกรรมด้วยอํานาจของกิเลสการรมมุ่งที่จะออกแล้วก็วิเวตอัธยาศัยก็เห็นโทษของการคลุกคลีเห็นโทษของการเกี่ยวข้องแล้วก็นิสรณนัตธยาศัยก็เห็นโทษเห็นภายในวัตตะทั้งหลายว่าวัตตะมีทุกข์มีโทษมีภัยฉะนั้นการฟังธรรมก็ฟังเพื่อเอาอัธยาศัยอย่างหนึ่ง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 ปัญญานี่คือสิ่งที่ประเสริฐเลิศสูงสุดที่สุดในโลกเหมือนคนเดินทางในยามค่ำคืนแสงสว่างเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดฉันนั้นเดินะเดินทางในสิ่งที่ที่มัน อ, อันตรายเนี่ยนะห น, นทางเต็มไปด้วยความขรุขระแล้วก็มืดด้วยทางไกลด้วยแสงสว่างนะั้นจำเป็นมากถ้าถ้ามีแสงสว่างก็สามารถที่จะมองออกว่าอะไรเป็นอะไรราะในโลกนี้ในโลกคือชีวิต ในโลกคือการดําเนินชีวิตทั้งหมดนั้นปัญญาคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี้โทษอีกครั้งว่าปัญญาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับแสงสว่างเลยนะปัญญาอาโลโกปัญญาโอภาโผปัญญาปัจโชโปปัญญาปัจโชโตปัญญาปทีโปเนี่ยนะปัญญาเหมือนประทีปปัญญาคือโอภาษปัญญาคืออะไรนะสิ่งที่โชดช่วงชัชวาลเป็นต้นปัญญานั้นคือสิ่งที่สําคัญมาก เพราะถ้ามีปัญญาอย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่าอะไรอะไรเป็นอะไรนะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอะไรอ่ะเอาอะไรเป็นอะไรนี่แล้วมันอะไรล่ะอะไรอะไอ้สิ่งเหล่านั้นก็คือนะสังขารธรรมทั้งหลายสังคตะธรรมทั้งหลายพระถ้าการฟังเนี่ยนะฟังเดี๋ยวจะกล่าวหัวข้อของสูตรตามมยาญาณต่อไปแต่ให้รู้เถอะว่าปัญญานี้สำคัญที่สุดเพราะคนที่มีปัญญา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 สัมมาวาจาถ้ามีปัญญาก็แยกอะไรเป็นสัมมากัมมันตะอะไรเป็นมิจฉากัมมันตะถ้ามีปัญญาก็แยกออกว่าอะไรเป็นสัมมาชีวะมิจฉาชีวะถ้ามีปัญญาก็แยกออกว่าอะไรเป็นสัมมาวายมะอะไรเป็นมิจฉาวายมะถ้ามีปัญญาก็แยกออกว่าอะไรเป็นสัมมาสติเป็นมิจฉาสติถ้ามีปัญญาก็แยกออกว่าอะไรเป็นสัมมาสมาธิอะไรเป็นมิจฉาสมาธิมันปัญญานั้นเป็นเป็นเครื่องจำแนก เป็นเครื่องคัดสรรเมื่อมีปัญญาก็จะทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระออกไปถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระมันเมื่อพิจารณาอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉา uca. ทิฏฐิก็ทิ้งมิจฉาทิฏฐิออกไปถือเอาแต่สัมมาทิฏฐินถ้าถือเอาหัวหน้าแล้วบริวารก็เท่ากับถือเอาด้วยถ้าทิ้งหัวหน้าคือมิจฉาทิฏฐิบริวารของมิจฉาทิฏฐิก็ชื่อว่าทิ้งไปด้วยถ้ามีปัญญาอย่างเดียวก็เลือกเอาสัมมาสังกปะทิ้งมิจฉาสังกปะ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 มิจฉาสมาธิถ้ามีปัญญาก็ทิ้งมิจฉัตธรรมถือเอาแต่สัมมะตะทิ้งความผิดสารพัดชนิดถือเอาแต่ความถูกต้องเพราะปัญญานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีสาระถ้ามีปัญญาแล้วจะเลือกเฟ้นถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระนั้นปัญญานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดทา น, นพระสารีบุตรจึงเลือกเอ่ยยกปัญญามามากล่าวและที่สาคัญเนี่ยนะ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 ถือว่าเป็นสุตตามิยญานเนี่ถือว่าสําคัญในบรรดาปัญญาที่ยกย่องชมเชยมากมายเนี่ยนะสุตตามิยญาณ น, นั้นสําคัญที่สุดเพราะเพราะอะไรเพราะเป็นเบื้องต้นของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันถ้าหากว่าจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันถ้าไม่มีสุตตามิยญาณนี้เป็นได้ไห ม, ไมเป็นไม่ได้เพราะว่าพระโสดาบัน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 เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมใช่คู่ควรแก่ความเป็นพระโ์ดาบันหรือยังการการการพิจารณาอันนั้นเนี่ยพอไหมที่จะเป็นพระโสดาบันบอกถ้ายังไม่พอนั่นแหละจําเป็นจะต้องปฏิบัติให้พอที่เขาเรียกว่าปัทธรรมมนุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตระธรรมนั้นการความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะเราต้องมาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจว่า ทำอย่างไรความรู้ความเข้าใจเราจึงจะเพียงพอจากความเข้าใจความเข้าใจนี้อีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างหนึ่งกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิสองฌานสัมมาทิฏฐิสามวิปัสนาสัมมาทิฏฐิการเจริญกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิก็คือศีลวิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็คือวิปัสนาฌานสัมมาทิฏฐิก็คือสมถะก็ศีลสมถะวิปัสนาเพื่อมัตสัมมาทิฏฐิเพื่อให้ อริยมรรคสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่ อ, อริยมรรคสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นผลผลสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นมันก็ที่สําคัญมากที่สุดก็คือความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังแล้วทีนี้การฟังก็ฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจถ้าตั้งคําถามว่าการเรียนโดยเฉพาะเรียนปฏิสมัมพัทธามรรคที่เรากําลังเรียนอยู่นี้เรียนปัญญากรทาเรียนเรื่องปัญญาเนี่ยนะเรียนเพื่อ อ, อบรมอินทรีย์ตัวไหนเป็นหลัก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 ถ้าฟังเพื่อรักษาคมภีร์เนี่ยนะใครจะขึ้นกันเกือบทุกคนเลยเพราะคัมภีร์มันยากมันหนักเนะี่ยดูสิแบกเลยนะนะข้อมือไม่ดีเนะี่ยยกแล้วแย่แนะ่คำพี์หนักมากแล้วก็เป็นภาษาพระพุทธเจ้าด้วยอ๋อันฟังเพื่อรักษาคมภีร์นี่ยากแต่ฟังเพื่อเพิ่มอินทรีย์นี่ไม่ยากนะฟังให้รู้ว่าเออเนี่ยพระคำสอนส่วนนี้ทั้งหมดพระองค์แสดงเพื่อให้เรามีศ ร, รัทธาเป็นคําสอนเพื่อเพิ่มภูม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 นะถ้าฟังเพื่อแบกคัมพี์นี่ป่วยแน่ตายคาคมภีร์แน่สงสารเลยนะสงสารตัวเองเลยต้องแบกคัมภีร์ใครไม่เคยแบกไม่รู้หรอกคนเคยแบกคำพี์นี่จะรู้แบกไปแบกมาเลยทิ้งคัมภีร์เลยเธอเอาอย่างอื่นก็ได้อ่านซื้อพิมพ์ดีกว่าเพราะนั้นผู้ที่เรียนเรียนธรรมะเนี่ยต้องศึกษาเพื่อเจริญอินทรีย์เรียนเพื่อรักษ า, เ, าเพื่อเจริญวิริยอินทรีย์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 อคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะสมัยพุทธกาลพระองค์เตือนอยู่เสมอว่าอย่าติดตามพระองค์เพื่อทรงคัมภีอย่างนั้นเถอะภาษาหนึ่งก็คืาเพื่อสุตตะคยะเวยาการณะก็คืออย่าฟังเพื่อทรงคัมภีร์ทําไมรู้ไหมเพราะมันหนักมากเรียนแล้วก็หนักเรียนแล้วยิ่งเรียนยิ่งหนักโอ้ยจบมาทุกคัมภีร์แต่ที่แน่ๆพร่องทางจิตใจะแห้งแล้งเต็มทีจิตใจก็แห้งแรง แต่ทำยังไงเรียนแล้วศรัทธาจะได้เพิ่มขึ้นศรัทธาจะได้เพิ่มขึ้นเคยพบเห็นมาหลายแห่งด้วยกันที่เคยไปอยู่ด้วยเรียนเพื่อส่งคัมภีร์ในที่สุดเนี่ยนะพระที่เรียนอย่างนั้นนะ่ะสึกเกือบหมดเลยมันพลาดทําไมจึงพลาดก็เรียนเพื่อรักษาคำพีไม่ได้เรียนเพื่อรักษาศรัทธาทุกคนกลัวคัมภีร์จะเสื่อมก็เลยรีบใหญ่เรียนใหญ่เลย เรียนฮามรุ่งฮามคำ่ำเรียนเอาเป็นเอาตายในที่สุดฟุ้งซ่านเึกเกือบิดกเยอะมากเยอะกว่าในห้องเรียนนี้ก็แล้วกันนะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นว่าโอ้เนี่ยเรียนไปเรียนมาเลยตัวเองเสื่อมจากพระาศาสนาคัมภีรก็อยู่ตามเดิมแต่ตัวเองนี่เสื่อมเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะไม่กี่วันแล้ข่าวว่าตายไปแล้วคนหนึ่งยังไงนะก็บ้นเกิดอะไรขึ้นเออนี่ก็แสดงว่ามันมีความผิดพลาดเพราะไม่ได้เรียนเพื่อสั่งเสริมส่งเสริมศรัทธาท่านคําสอนทั้งหมดเราเรียนเพื่อ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 ทำอย่างไรเนาะสิ่งที่เราไม่รู้จะได้มีความรู้สิ่งที่เรารู้จะได้เจริญเติบโตขึ้นไปทําอย่างไรน้อยอินทรีย์ทั้งห้าจะได้ไประชมกันเพื่อการบรรลุมรรคผลเป็นต้นผู้ที่ศึกษาได้อย่างนี้ทําใจได้อย่างนี้อะไรจะสบายขนาดนี้แต่บางคนก็บอกเอ๊ะมันสบายไปมันต้องให้รู้สึกหนักหนักหน่อยจึงจะดีเออ น, นั่นว่าไปนั่นเองนะเพราะอะไรเพราะว่าชอบอารู้สึกถ้าเครียดนิด น, ดนดจะดีว่า ง, งั้นเถอะสบายสบายยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขทั้งหมดเออไม่ดีเท่าไหร่ ให้มันเครียดนิดนิดอึดอัอดนหน่อยหอะไรแบบเพีแบบเนี้ยมีความสุขมากพวกนี้สาดิบนะนะพวกอะไรนะพวกที่แบบทุ ก, ทกขานิยมเนี่ยนะพวกนิยมทุกยินดีในทุกไม่ดีที่จริงการฟังธรรมนั้นการศึกษาพระธรรมนั้นจะต้องเป็นเป็นอย่างนั้นถ้าถ้าถ้าเราอจับประเด็นถูกจับสาระเป็นค่อยๆเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มศรัทธาไปเพิ่มวิริยะไปเพิ่มสติไปเพิ่มสมาธิไปเพิ่มปัญญาไป มันโดยเฉพาะในในในที่มูลนิธิที่เรากําลังศึกษาอยู่เนี่ยจะไม่เปิดคำภีร์เดียวเพราะจะได้เรียนเพิ่มทุกๆอินรียนะจะได้เรียนเพื่อปรับอินทรียไม่ได้เรียนเพื่อรักษาคมภี์เพราะคำพี์เนี่ยนะก็บอกว่ามีผู้รักษาแล้วนะกระดาษท่านช่วยรักษาเอาไว้แล้วคอมพิวเตอร์ก็รักษาอยู่ในซีดีซีดีลอมมันเราท่องสู้สู้ซีรีลอมไม่ได้หรอกแต่ว่าเราฟังเพื่อเอาบุญดีกว่า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 มหานิเทศเดีเ๋ยวศึกษาต่อๆไปเนี่ยปฏิสัมพินธาจะมีข้างหน้าว่าพระพุทธเจ้าสอนทำตามอัธยาศัยของสัตว์ถ้าเขาศรัทธาน้อยพระองค์ก็สอนเพื่อให้เขามีศรัทธาถ้าเขามีศรัทธาพระองค์ถ้าเขาศรัทธาดีอยู่แล้วพระองค์ก็สอนเพื่อให้ศรัทธายิ่งๆขึ้นไป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 เชื่อเชื่อเชื่อเชื่ออย่างนี้เชื่อคนมีศรัทธาไหมเชื่อแล้วเชื่อแล้วนี่เรียกคนมีศรัทธาไหมไม่แน่นะอาจจะไม่มีศรัทธาเลยแม้แต่นิดเดียวก็ได้ะเพราะคนที่มีศรัทธาศรัทธาทั่วในครั้งหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าความเลื่อมใสแปลว่าความเลื่อมใสความผ่องใสเนี่ยนะเขาเรียกลักษณะนั้นเป็นลักษณะของศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ผ่องใสกลั่นตะกอนของใจทิ้งออกไปได้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 วิวะัตตะันนั่นอาศัยสติเนี่ยนะอาศัยสติทีนี้คนที่โอ้โหศรัทธา ม, มากเพียนก็เยอะสติก็ดีใจนี่ควรจะเป็นยังไงควรจะมั่นคงหรือฟุง้งซ่านนะก็ควรจะมั่นคงถ้าฟุ้งซ่านบ่อยๆนั่งอยู่ภายในสองนาทีคิดได้ตั้งยี่สิบสามสิบเรื่องเนี่เก่งไหมเอาน่าจะฉลาดใช่ไหมนั่งอยู่แป๊บเดียวคิดได้ตั้งหลายอย่างไม่อะนั่นนะฟุ้งซ่านมากเนี่ยนะครั้น ธรรมะเนี่ยเป็นของคนที่มีใจตั้งมั่นแล้วก็อันสุดท้ายก็คือความเข้าใจในอริยสัจเพิ่มไหมความรู้อริยสัจเพิ่มขึ้นไหมเข้าใจอริยสัจยิ่งขึ้นไหมถ้าความรู้ความเข้าใจในอริยสัจเพิ่มพูนขึ้นก็แสดงว่าถูกทางแล้วเนี่ยนะถูกทางคำว่าถูกทางก็คือเป็นไปตามทางแห่งอริยมรรคแล้วอริยมรรคก็คืออินรียห้าประชุมกันนั่นแหละก็คืออันเดียวกันนั่นแหละต่างกันแค่ ปรยายต่างกันแค่คำพูดต่างกันแค่พยัญชนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเราเรียนเพื่อเพิ่มพูน อ, อินรี่ทั้ง5เนี่ยนะไม่นานเท่าไหร่เราก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ถึงเหตุการณ์ใดๆก็เกิดขึ้นก็ช่างเถอะทุกครั้งที่เราเรียนก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราทุกครั้งไปเป็นบุญกิริยาวัตถุประเภทรรมเทศนาใหม่เป็นการฟังเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศล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 ปัญญาเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มนั่นแหละคือการปฏิบัติเพราะตัวศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาคือตัวปฏิบัติไม่ใช่รูปเป็นตัวปฏิบัติไม่ใช่ตัวยืนตัวเดินตัวนั่งตัวนอนคือตัวปฏิบัติไปที่ไหนไม่มีใครไปอยู่ตรีลงังกาได้หรอกมันก็ไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนท่า น, นนิยามของคําว่าปฏิบัติไม่ใช่รูปแต่หมายถึงศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญามันเพิ่มได้ไหมละ่ะเพิ่มได้จากที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ อันนั้นค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่ที่สําคัญเพื่อให้เข้าใจทิศทางเข้าใจช่องทางและแนวทางถ้าเข้าใจตามนั้นเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้ก็จะเพิ่มพูนจเจ ร, ริญเติบโตขึ้นเขาเรียกว่าภาเวตาปธรรมอย่างที่เราเรียนปฏิสัมพิทาวันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าพาเวตาะธรรมเรียนเพื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญเนี่ยนะเพราะว่าในบรรดาสุตตะมยญาณเนี่ยนะสุตตะมยญาณการฟังที่ดีฟังที่ถูกฟังเป็นคนที่ฟังเป็นเนี่ยฟังว่ายังไง คนที่ฟังเป็นก็ฟังว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทําให้แจ้งนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมนี้ดํารงอยู่นี้วิเศษขึ้นไปนี้ส่วนแห่งการชํำระกิเลสนี้อนิจจังนี้ทุกขังนี้อนัตตนี้ทุกสมุทัยนี้โรดมักฟังและแยกออกทั้ง16หัวข้อดังกล่าวไปเรียกว่าคนฟังเป็นนะถ้าหากว่าฟังแล้วไม่เข้าใจในหนึ่งในสิบอย่างเลยเรียกว่าคนผ่านหูเป็นนะผ่านหูเพราะว่าไม่สําเร็จประโยชน์ของ สุตตะมยญาณเนี่ยนะสุตตมยญาณทั้งหมดหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยสิบหกหัวข้อสิบหกหัวข้อทวนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเจริญสิ่งที่ควรเจริญทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเขาเรียกว่าอภินยยธรรมปริญญยธรรมปหาตประธรรมภาเวตประธรรมและสัจฉิการตประธรรมนั่นนะท่านก็ฟังให้ออก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 อันนังนในวันนี้เพทพิยะก็ะใกล้ต่อการบรรลุใกล้ต่อการสตดัสสรู้ใกล้ต่อการชำระฟังไอ้คำฟังให้ดีนะคำว่าบรรลุมันคืออะไรคำ ว, ว่าบรรลุเนี่ยนะบรรลุเนี่ยมาจากคําว่าอะไรบาลีปฏิเวทะปฏิเวทะปริญญาปฏิเวทะนะเรียกว่าตรัสบรรลุด้วยการกําหนด ร, รู้บรรลุด้วยการอะไรด้วยการละบรรลุด้วยการทําให้แจ้งบรรลุด้วยการ จเจริญไหนคาว่าบรรลุเนี่ยไม่ใช่ว่ามันปิ้งขึ้นมาแบบอะไรก็ไม่รู้นี่ะมเคาะแก้วเคาะอะไรนะเคาะแก้วแบบขายน้ํายาล้างชามไม่ใช่แบบนั้นเน็ตเอาหม่นะว่าพนการฟังที่ถูกที่เป็นฟังเพื่อหนึ่งรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรล ะ, จะเจริญสิ่งที่ควรจเจริญ ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งฟังออกเลยว่าเออสิ่งเนี้ยกลุ่มเนี้ยเป็นอะไรเป็นอะไรแยกแยะเป็นเลยนะแยกแยะแม่สีเป็นอ่ะนะคล้ายๆแยกสีเหมือนกัะดูภาพสิบหกภาพออกวันนี้เป็นภาพเรื่องนึงเรื่องแยกแยะเป็นนี้ต่อไปถ้าเราเจริญกุศลกุศลที่เราเจริญเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาคุณธรรมเหล่านี้อยมาแยกลงอ่าเช่นศรัทธาของเรานะก็มาเอาเอาเอาห้าสี่กลุ่มเนี้ยมาจับ กำลังเสื่อมหรือดำรงอยู่หรือเจริญขึ้นหรือเกือบจะทำกิจอริยสัตว์แล้วอนเอาศรัทธามาวัดอะไรนะเอาศรัทธามาเช็คดูวิทยะมาเช็คดูว่าทำท่าจะเสื่อมหรือดำรงอยู่หรือพิเศษขึ้นเอาอะไรอีกสติมาวัดดูว่าเสื่อมหรือดำรงอยู่หรือเจริญขึ้นสมาธิที่เราทำอยู่เนี่ยเสื่อมหรือดำรงอยู่หรือ จเจริญขึ้นปัญญาเหมือนกันอะไรเสริมนำรงอยู่หรือจเจริญขึ้นหรืออินทรีย์ทั้งห้าเกือบประชุมกันแล้วอ น, นิเพทะปรัสรู้แน่นะแล้วก็มาดูทีอันนี้เรียกว่าภาคยยธรรมทั้งสี่ประการเนี่ยนะทีนี้อแล้วขันห้าอุปาทานขันห้าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา น, นี้แม่นยำขนาดไหนชื่นชมในความยั่งยืนอยู่ตั้งนานตอนท้ายบอกอ น, นิจจังใช่ไหม เขามีเขามีอยู่ที่หนึ่งเขาบอกว่านะเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะที่จะไม่ให้มันเป็นเดรัจฉานคาถานะมันต้องจบลงด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรั้นนะแต่แล้วก็คุยเพอเจอร์ไปครึ่งวันเนี่ยนะบอกสนทนาอะไรกันอยู่เน้นเน้เนเล็กๆแกล้งพระบอกว่าอ น, นิจจัง <laughs> มันไม่เที่ยงตอนท้ายซะหน่อยนะที่ไหนได้ <laughs> เดรัจฉานคาถาอยู่ครึ่งวันนะเนี่ยนะ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 ใจลึกๆบอกมั น, นก็มัน ก, ก็ไม่ไม่เลวร้ายเกินไปมั้งอ น, นะก็ยังสนุกดีมีความสุขใช่ได้เหมือนกันนะแต่ทั้งก็ต้องนึกอันนี้จังทุกครังแล้วก็อนัตตาหรืออัตตากันแนะ่ก็เ อ, อมีคำอันหนึ่งก็ออกมตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงโดยความเป็นเป็นทุกข์ตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันเป็นทุกตามเห็นสิ่งที่เป็นไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่มีใครมีอํานาจว่าขอจงเที่ยงขอจง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 คิดถึงคําว่าอนิจจังกับเข้าใจในความเป็นอนิจจังก็ไม่ต่างกันนั่นนะคือปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวที่เข้าใจในความเป็นอนิจจังของสิ่งนั้นว่าอนิจจังแบบนั้นคืออะไรเห็นไหมอ้าเมื่อไหร่ก็ดูเหมือนเดิมหมดเลยอนิจจังหรือเปล่าเะฉั้นฟังอนิจจังทุกขังอนาัตตนี่ต้องแม่นยำํำทีนี้การฟังอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันตัวขออะไรรู้ไหมทุกขสัจจะโดยทั่วไปนี่มุ่งอธิบาย ทุกขสัจจะการพูดอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อเพิ่มกิเลสหรือเพื่อละกิเลสเพื่อละกิเลสอ่ะแล้วบอกก็มันไม่เที่ยงเสร็จลืมเล่าดีกว่าอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนบอกก็มันไม่เที่ยงแล้วรีบเที่ยวดีกว่ารีบรีบทําอกุศลอะไรยังใดอย่างหนึ่งดีกว่าเพราะใไหนก็จะจุติแล้วเพราะว่างั้นมันก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ไหมก็เลยรีบเพิ่มสมูทไทยดีกว่าไม่ผลการพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นนิยามของทุกขสัจจะทุกขสัจจะ กล่าวถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อละสมุทัยที่ควรละเพื่อละตัณหาที่ควรละเนี่ยนะละทั้งกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้ารู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเท่าใดแค่ไหนอย่างไรก็ต้องละสมุทัยได้เท่านั้นเท่านั้นทีนี้บอกโอโ้กิเลสละแล้วแต่ว่าเขาบอกเขาบอกเขาละกิเลสแล้วเขาบอกกันทําไมอะละได้ยังไง ก, ก็มันไม่เกิดอ่ะแต่เขาไม่รู้อะไรนะเสียงแต่ว่าสงวนนั่งสบาย อากุศลไม่กลุ่มรุมสบายแลว้วเขาบอกเขาบรรลุแล้วเขาว่างั้นเพราะกิเลสมันไม่เกิดเมื่อใช่ไหมไม่ใช่เพราะไม่ได้ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งถ้าไม่ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งมันละอะไรไม่ได้จริงๆหรอกไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วบอกว่าพอแล้วละกิเลสได้แล้วเพราะไม่ได้ทําพระนิพพานที่ควรทําให้แจ้งบางคนก็บอกว่าเขาเนี่ยนะ อันนี้จังทุกขังอนัตตก็รู้แล้วกิเลส ก, ก็ละแล้วนี่ผ่านก็เห็นแล้วแต่ว่าเจริญมรรคยังไงก็ไม่รู้เขาบกงั้นนะไม่รู้ว่าเจริญมรรคนี้เจริญยังไงเจริญสัมมาทิฏฐิสังกปะเป็นต้นองค์มรรคแ บ, บประชุมกันเป็นอย่างไรก็ไม่เข้าใจซากอย่างอันนั้นประกาศถึงอะไรเพราะ้นผู้ที่มีสุตตะมยาญต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะจะต้องมีปัญญาแยกแยะกําหนดแยกแยะออกว่าอะไร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 ปรุงแล้วดีสิปรุงแล้วประนีตเนี่ยนะแม้กระทั่งเครื่องเทศเครื่องแกงก็ไม่ให้ปรุงน้อยๆใช่ไหมแล้วโพธิปักจจะรมจะปรุงเล็กปรุงน้อยพอไหมที่จะทนทุกข์ได้ไม่พอท่า น, นก็ต้องฟังเพื่อปรุงอย่างมากแม้กระทั่งฟังเพื่อปรุงปัญญาก็ฟังให้แยกสิบหกหัวข้อเป็นอันนี้เป็นสุตมยะปัญญาเนี่ยนะทีนี้เมื่อฟังทั้งสิบหกหัวข้อได้ชัดเจนแล้วอะทํำยังไงในชีวิตจริงเราได้จะได้เห็นทั้งสิบกหัวข้อในชีวิตจริง เป็นความรู้ที่มีอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยนะเป็นผู้ที่ภาษาธรรมะเขาบอกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วใช้คํานี้ตลอดใช่ไหมได้ยินบ่อยไหมอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้เห็นอยู่เมื่อรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะใช้คํานี้ตลอดเลยอริยสาวกผู้ได้ฟังจบแล้ว รู้อยู่เห็นอยู่รู้นี่เป็นชื่อของอะไรชาณตาปัสาตานีนะชาณตาปัสาตาก็เป็นชื่อของสมถะเออเป็นชื่อของวิปัสนาทั้งหลายรู้อยู่เห็นอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนิพิทาคือความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่คลายกำหนัดคืออริยมรรคเป็นต้นพันการฟังเนี่ยจนกว่าฟังว่าอริยสาวกผู้ได้ฟังผู้ได้สดับแล้วคือฟังแล้วเข้าใจทั้ง16หัวข้อแล้วใช้ในชีวิตจริงๆ บางคนก็บอกว่าโอ้ยเขาฟังเขาฟังมาเยอะมากเนี่ยนะเอ่อเนี่ยเขาฟังมาเยอะมากเลยจะให้เขาทำยังไงมาถามมามาเขาหมดปัญญาเลยเขาฟังมาเยอะมากถ้าวางนั้นจะจะให้เขาทำยังไงต่อไปเขามาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณไปฟังอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แต่ที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณไปฟังอะไรมาบ้างแต่บอกว่าฟังเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฟังมากฟังม่แต่ว่าให้ทำยังไงต่อไปน่าสงสารคนตอบเลยนะตอบไม่ได้ เราแค่นั้นพยายามต้องศึกษาให้ให้เป็นนะเพราะฉันฟังมากฟังไมยฟังเยอะอาจจะชั่วโมงในในห้องเรียนอาจจะเยอะก็จริงแต่ว่าอาจจะหลับในห้องเรียนเยอะฟุ้งซ่านในห้องเรียนไม่น้อยชวนเพื่อนคุยไม่เบาเป็นต้นเนีอาจจะอย่งงางนั้นก็ได้เนี่ยนะเพราะฉันอาจจะบอกโอ้ยผ่านหูมาเยอะอะไรไมาเยอะเป็นต้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่สุดแต่ไม่ยะอย่างที่กําลังพูดถึงอยู่นี้ก็ได้